สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระสูตรตอนที่482เรื่องทรงเป็นทรงห่วงทรงดื่มพโภชนะของพระเจ้าอยู่ในขั้นย้อนบทที่18นะครับตอนเดียวกันครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่11แต่อยู่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับในเช้าวันนี้โปรดฟังโภชนะของพระเจ้า ย้อนไปที่สิบปดข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สิบเอ็ดเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามห้วยกิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่จะอายัาพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆ ย, ยูดาสกับพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกโปรหิตและพวกฟาริสี ถือคมถือใต้และเครื่องอาวุธไปที่นั่นด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเ ร, ระเยซูรตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อาญาพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน พระองค์ตรัสถามเขาอีกว่าท่านหาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาสเรตเยซูตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็ปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดท้งนี้ก็เพื่อให้เป็นจริงตามพระดารัสซึ่งพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตมีดาบจึงชักออกฟันทาาคนหนึ่ง ของมหาปรหิตผู้ไปตาําแหนถูกหูข้างขวาขาดไปแาทยคนนั้นชื่อเมาคัสและพระเยซูตรัสกับเปโตร ว, ว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพี่นักรับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมจะขออธิบายรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งเป็นที่น่าสังเกตเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายถึง้วยผิดโรนครับวันนี้ผมจะขอเพิ่มเติมบ้าง คำว่าข้ามหุบเขาขิดโรนหรือข้ามห้วยขิดโรนนั้นจริงๆแล้วคำว่าห้วยหรือคำว่าหุบเขานั้นก็คือเป็นจุดตัดระหว่างเนินเขาสองลูกนะครับและเนินเขานี้นะครับเนินหนึ่งอยู่ก็คือมีกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่นะครับอีกเนินหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนเยอรมนีเพราะฉะนั้นการข้ามจากเยรูซาเล็มนะครับจะมาสวนเยอรมนีซึ่งเป็นคนละเนินกันครับ ก็จะต้องข้ามกล้วยหรือข้ามหุบเขาและหุบเขานั้นมีชื่อว่าคิดโรนหุบเขานี้อยู่ทางตะ ว, วันออกของเยอรมนีครับในช่วงแรงน้ำนะครับก็สามารถที่จะเดินข้ามได้ด้วยเท้าเปล่าครับยกเว้นในช่วงฤดูฝนเพียงครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นว่าการเดินทางในประเทศอิสราเอลนั้นเป็นการเดินทางส่วนใหญ่แล้วนะครับด้วยเท้านะครับ ด้วยลานะฮะด้วยม้านะครับหรืออูดแท้จริงแล้วทหารจะต้องขี่ม้าครับเยคนเดินทางปกติที่จะต้องเดินทางไกลๆก็ขี่อูดแต่ในละแวกปาเลสไตน์หรือในละแวกยูเดียแคว้นยูเดียแคว้นเซมารีเหรือแม้กระทั่งแคว้นเกาหลีนั้นปกติแล้วเขาใช้เดินเท้าครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เอง ทำให้เราได้จะข้ามไปนะครับไปอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสาวกของพระเยซูครับสาวกของพระเยซูที่ชื่อว่าซีโมนเปโตรเขามีดาบและเขาก็เอาดาบนั้นฟันนะครับฟันคาดว่าจะฟันหัวครับไม่ต้องการจะตัดหูนะฮะแต่ว่า อาจจะพลาดไปไปโดนหูข้างขวาขาดแต่พระธรรมยนได้บันทึกว่าชื่อของชาติคนนั้นชื่อเมาคัสประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าเมาคัสทาไมยนถึงรู้จักชื่อเพราะเนื่องจากว่ายนนั้นเขาเป็นคนที่มีเบื้องหลังการดำรงชีวิตก็คือเป็นชาวประมงและคุณพ่อของเขานั้นก็ เป็นเหมือนกับคนส่งปลาครับส่งปลาไปที่บ้านของมหาปุโรหิตเพราะฉะนั้นยอนก็คงจะรู้จักกับเม์คัสคนนี้ครับเพราะในฉากต่อมาเราเห็นว่ายอนนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของมหาปุโรหิตหลังจากที่เพีชูถูกจับกลุมได้อันนี้เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับสาวกที่ชื่อว่ายอน และเป็นผู้ที่บันทึกเรื่องราวของการตัดหูทาชื่อเหมอกัดนะครับโอเคครับเรากลับมาถึงเรื่องราวในวันนี้คือพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงห่วงและพระองค์ทรงดื่ ม, พ ร, รมพระองค์ทรงเป็นนั้นมีการบันทึกไว้ถึงสามครั้งครับอยู่ในข้อที่ห้าพระเยซูตัดกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละคําว่าเราคือผู้นั้นแหละ ในภาษากรีกคับภาษาเดิมใช้คําว่าเราเป็นใช้คว่าเราเป็นนะครับในข้อที่หกพระเยซูตัดกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละก็บันทึกทั้งที่สองครับเราเป็นในข้อที่เจ็ดรงตรัสถามเขาอีกว่าท่านมาหาใครเขาทูลต่อมหาพเยซูชาวนาเซสข้อที่แปดพระเยซูตัดกับเขาอีกว่าถูกบันทึกในที่นี้ครับว่าเราบอกท่านแล้วว่าเรา เราคือผู้นั้นเราเป็นพียงครับคำว่าเราเป็นพี่น้องฟังแล้วคุ้นหูใช่ไหมครับเป็นคำคำเดียวกันกับที่พระเจ้าจัดกับโมเสสบนภูเขาชิ น, นัยว่าเราเป็นพระเยซูกำลังบอกโดยนัยยะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าครับเหมือนกับที่พระเจ้าพระบิดาได้บอกกับโมเสสว่าเราเป็นอันนี้เป็นประการแรก เพราะฉะนั้นจากประการแรกนี้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นโรงไม่เคยทิ้งนะครับไม่เคยทิ้งสงญลักษศีของพระเจ้าหรือโปรงไม่เคยลืมว่าพระเยซูโปรงเองนั้นเป็นพระเจ้าฉะนั้นเราต้องไม่ลืมด้วยเหมือนกันนะครับและเมื่อเรารู้เรื่องนี้เราจําเป็นที่จะต้องปกป้องความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเยซูในหลายๆ ล, ลัทธินิกายซึ่งเป็นลัทธิหรือสิ่งที่เรียกว่า ลัทธิเทียมเทพนั้นพยายามปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูพยายามที่จะบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าองค์น้อยแต่ไม่ใช่ครับพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เยซูเป็นพระเจ้าที่เท่าเทียมกับพระบิดาประการที่สองครับคําว่าทรงห่วงในที่นี้ในข้อที่แปดครับ พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามดํารัสของพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระง์ไม่ได้เสียไปสักคนเดีย ว, วเราเห็นว่าพระองค์ทรงห่วงครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่และในเพลงล่องรับก็ตอบว่าพระองค์ทรงห่วงพระองค์ทรงห่วง เมื่อข้าเศร้าพระองค์ทรงห่วงพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนก็ตามพระองค์ทร ง, งห่วงเราทั้งหลายทรงทรงห่วงแม้ว่าพระองค์จะตายทรงทรงห่วงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นมาแม่งเขนทรงทรงห่วงในทุกทุกวาระทุกทุกโอกาสทุกๆุกเวลาในชีวิตของเราพระองค์ห่วงชีวิตของเราครับในยอม์นบทที่สิบเจ็ดบทก่อนหน้านั้นพระองค์ทร ง, งห่วงเราจนพระองค์อธิษฐานเพื่อเราครับ โครงทรงปรารถนาที่จะให้เราติดตามพระเยซูโครงตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายโครงทรงห่วงไหมครับห่วงครับโครงทรงอธิษฐานให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้ายซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างโครงทรงห่วงครับโครงทรงห่วงพวกเราทั้งหลายทุกคนในยามเศร้าในยามโศกในยามท้อแท้โครงทรงห่วงและประการสุดท้ายก็คือโครงทรงดื่มครับถามว่าโครงดื่มอะไร นี่บอกว่าดื่มช่วยถ้วยนี้มีความหมายว่าเป็นการทนทุกข์ทรมานพระองค์ทรงรับทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายพระองค์กำลังชดใช้ค่าจ้างของความบาปแทนเราถ่วยมีความหมายประการที่สองก็คือถ้วยแห่งพระพิโรธถ้วยแห่งพระพิโรธซึ่งเราพบในพระธรรมวิวรณ์ครับมีถึงเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดโบก็คือถ้วยครับขันครับการ ดื่มถ้วยของพระเยซูก็คือการทนทุกข์ทรมานการจ่ายค่าจ้างของความบาปและการรับเอาคำสาปแช่งของพระเจ้าเพราะว่าถ้วยนี้ก็คือคำสาปแช่งหรือพระพิโรธของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นทรงห่วงและทรงดื่มนะครับเพราะใครครับเพราะเราครับทําไมพระเยซูต้องเสด็จมาโลกนี้ในเมื่อรองค์ทรงเป็นพระเจ้า เพราะพระองค์ทำเพื่อเราทําไมพระเยซูจะต้องห่วงเราซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เพราะพระองค์รักเราทําเพื่อเราทําไมพระเยซูทรงดื่มเ พ, พราะพระองค์ห่วงเรารักเราและทําทุกสิ่งได้เพื่อเราจะได้มีความเชื่อความศรัทธาและดํารงชีวิตอยู่ในความเชื่อความศรัทธาตลอดไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะทราบซึ้ง และเราจะรับการสัมผัสแตะต้องด้วยความรักของพระเจ้าปรงทรงเป็นพระเจ้าปรงทรงห่วงใยเราทั้งหลายและปรงทรงดื่มถ้วยแห่งความพิโรธของพระเจ้าและถ้วยแห่งการทนทุกข์รับทุกข์แทนพวกเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตนิรันดร์อามิน้น